เราก็ต้องปรับปรุงกายใจของเราบังคับเขา้าสู่อัดจู่รมต่างหน้าต่างตาที่นิดพิ่เจนละถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวเป็นภัยอันตรายแต่ทาบาเพ็ญสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ไว้จะทาให้ไปสู่ความบริสุทธิ์เมื่อทุกคนตั้งมั่นอย่างนั้น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 สนายท่านไหนสบายกันหนะ้าไปเลยภ <c oughs> าวนาไปในตัวการตังนน้งธรรมะสุ ข, สขาสุขนคนสนคยได้ระรับรฟังกันมา <c oughs> แต่มันก็ไม่อินไม่พอเพราะการปฏิบัติของตัวยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงให้ธรรมะทีมม่กันเนีแงไปสอนใจ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 เพิ่มมันลืมมันหลงเวลาอจิตของเราิดหาอย่างนั้นมาคุยอย่างนี้มาคุยสนุกหรือกดูมหา์ต่างๆเวลาหมดไปต่างหลายชั่วโมงก็รู้สึกว่าามันถูกที่เลของตัวเหมือนแ่เดียวนนั้นนนานอะไร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 ในการขนคิดที่นี้พิจารณาทำทำางธรรมะทางเหยียบอุทธทจคื้ส่งไปในเรื่องวงของธรรมมัน้สยฝุ่งแบบอุเทจรในมือวานไปอุเทจรขันธรรมะต้องฝุ่งไปในเรื่องของอัดของธรรมอะไรสงสัยขวาออกมาที่นม้พิจารณามันตกออกไปขาดออกไปยังกุเลยเ์เชน ในความเจนความเห็นของตัวนี่ไหมถึงผู้ที่มีจิตเจนธรรมะเกิดปัญญาเ็นวิปัสสนาแต่มันจะถึงขั้นนั้นมันก็ต้องเรีเรยนเยียยมไปเชื่อก่อนั้งจะขันกรถมเหมือนเราที่เรียนหนังสือก็ใก่ก็กาเป็ น, นหนึ่งนเรียนกันไปกว่า<ม>จะจบปรถมมัตยมอุดมปริญญานยก็ เวลานานอพอสมควรกว่ามันจะไปได้มีการฝึกจิตฝึกใจฝึกหัวเราขันเป็นทุกข์าปฏิปทากัร ท, ท า, ทาทปทัญญาคือปฏิบัติยากปฏิบัติเป็นทุกข์ลุ ก, กช้าเมืกลับทำนองนั้นจะต้องศึกษาไปที่เจรณาไปเห็นไปกู้ไปในความเป็นยิ่งของอัดของทำที่เรากว่พื่อปฏิบัติ พอหยุไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ในหยุดในถอยมันก็ก้าวไปเด็กไปเหมือนกันอย่างเต่ามันเดินหยุดถอยมันก็เอาชะของกระต่ายได้ยว่งเนนอนอยู่เหนื่อยคงได้ชะเพราะเต่ามันเดิน่น่นอย่างนั้นกเลยประมาทเต่ามันานไปอยู่ ไม่หยุดไมถอนก็เลยถึงก่อนในการปฏิบัติของพวกเราท่านก็ท่านน้องเดียวกั น, น, นท่านปุตติมีสติปัญญาถือว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเวลาใดก็ได้ในกองหยิบร้อนอะไรเจ็บเจ็บตายาเผาแฉเชื่อก่อนจึงเขาวัดเขาว่าปฏิบัติปฏิบัติง่ายง่ายปฏิบัติสะดวกสบายความคิดความเห็นอย่างนั้น มันอาจจะผลาดไปผิดไปเพราะชีวิตของเราท่านนั่นไม่มีเครื่องหมายนายประกันอะไรถึงการถึงสมัยหรือไม่มันไม่ว่าคนนี้ต้องมาเรียนปฏิทักษ์ที่ปฏิบัติศาสานานี้อาจมีทําอะไรควรจะเอาเข้าไว้ใหโทษโดยที่ปฏิบัติได้ดอกผลในการเสื่อเชื่อก่อนจึง ข, ขอตายไปคนนี้ปฏิบัติพอสมควรแล้วจะเอาคนนี้ไปกล่องมันไม่เดีย ว, ว่า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 สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจธรรมเป็นของจริงแต่จำธาตขันทุกท่านจะต้องประสบพบเห็นโดยกั่นทางนั้นเจอนันกนยอมรับความจริงของมันถือว่าเรายังหนุนยังน้อยอยูอย่รยังไม่สมควรจะล่มหายป่วยตายไปมันคิดไปทำมองนั้นมันเป็นเห่ย ง, เ, งเหี่ยงาเรื่องขันธ์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 ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดายินพองต่างๆมันทราบมันเข้าใจมันเชื่อใจเยอะใจในการตายไปยิ่งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถึงสิ่งศดิิทธินยึดมุตในจิตในใจแล้วนั่นไม่มีทางที่จะสงสัยพบชักเด็ดทําลายขาดไปจากจิตจากใจไม่มีอะไรที่จะหลงไหล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 ก่ตงไปพักทาอาศัยในมีลาสาาธีมันสติวิหารที่อยู่กว่าต่างพอใจท่านสงบใจท่านสบายใจท่านเย็นในอัตในธรรมแล้วท่านก็สุกท่านก็สงบจงตังข้ากับใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจสุ่งจ่งนยุ่งเกี่ววยวกับเรื่องต่าง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 ทั้งทั้งขี่อดอยากยากจนไหนว่าอะไรทุกอย่างลําบากอยู่ตามป่าหยุบยายจะแก้ไขโรคไครก็หายยาอาหารการขบขันก็ค้นบ้านป่าจะไปหาอาหารแตมีดิบดีมาจากที่ไหนก็มีอะไรพวกก็ให้ตามท้าห น, น้าหน้าขี้ของเขาี่อยู่ที่อาศัยเหล่าฝนไม้ อยู่ตามทำตามเงื่อนผ้าต่างๆแต่ท่า น, า น, าานอาศัยอัดทำภายในใจผ่านจึงอยู่ได้ในห่วงใหญ่ ท, ท, ทั้งๆที่บางขันบางองออาาคะะ์ออกมาจากสกูลกษัตริย์ออกมาจากสกูลเศรษฐีเคยมีความสุขความสบายในอาณิจักรเพียงพอบริบูรณ์เมื่อออกมา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 มันไปจากในจิตในใจอยู่ไปมันต่เสียงแข็งเนี่ยจะอยู่ไปกี่หนึ่งจีแสนจีมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดดีว่าเกิดขึ้นกว่านี้ตายไปเดียวนี้ขณะนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปแข็งจึงไม่มีปัญหาในตัวของท่านไม่ได้ห่วงใยอะไรหมดเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกําลังหิวกำลังรับทานอยู่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 มันเสียใจถ้ามันอิ่มแล้วเขายกออกไปเขยกไปเธออาหารยันจะเหลืออยู่น้อยมากขนาดไหนก็ยกออกไปถ้าเราทานอิ่มจป็นพรองของเราแล้วเขายกออกไปดีใจแล้วจะไม่เจ็บในรักษาถ้าเไม่ยกออกไปเราก็เป็นภาระที่จะเจ็บจะรักษา จะลำบากต่อไปนี่ภาดขันของภาริยะเจ้าผูกกับเพื่อปฏิบัติถึงขีดเสื่มมุมดก็ทานองเดียวกันทำอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะปันจจกขันของท่านเจริ่์ภายในของท่านจริงจังที่จะเกิดทุกข์เกิดโทษนั้นมันไม่มีจะอยู่ในสถาน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 ไน่ต้องขออาดจากอนาคตเจ้าก่อวนวันนอนวันนี้เจ้าก่อนเดือนนั้นปีนี้เจ้าก่อนอย่าไปคิดทํานองนั้นถ้าคิดทํานองนั้นมันผิดมันพลาดไปได้นคนผิดพลาดไปในเรื่องเหล่านี้นับไม่ได้เราก็จะเป็นคนผิดเชื่อกิเลสถือกิเลสคือมะเนื้อสอนเป็นศาสดาในถือพระพุทธเจ้าในถือธรรมะ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 มีตานอยู่ับครูกับอาจารย์อยู่ในวัดในรานในศาสนากับท่านนองเดียวกันคนที่ทำความเพียรเท่านั้นที่จะละที่เหลยอปัญหาที่จะเห็นสีนสมาธิปัญญาวิมุตติไดยเฉพาคนมานอนปีพุ่งจินแล้วที่เหลืปัญหาจะตกไปถ่านมันง่ายแบบนั้นพระพุทธเจ้าคนหนสอนธรรมะธรมเหตุไว มีความเพียรพยายามต่างหน้าต่างตาและเฉื่อยบำเพ็ญดีเสมอสอนเพราะเขามาอยู่ในวัดในวานมาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วที่เดี๋ยวปัญหามันตกไปหล่นไปหมดไปมันในเป็นอย่างนั้นมันต้องอาศัยพวกเราท่านผู้มาประปฏิบัติโลมีกับทบาบําเพ็ญ ก, กันจรงิงจังก็จะแก้ไขขัดไล่จิตใจที่เฉื่อเสีย อารมณ์ที่อี้แยอายุต่างๆให้ตกออกไปเมื่อเราตั้งใจก็พึ่งปฏิบัติตามอาจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่อตั ม, มาทุกวันทุกเวลาดูจิตดูใจของตัวอยู่ตลอดเวลาจึงทขี้แวขี้เสียเกิดมา ต, าตัดเตามันออกไปขี้ใหม่ใน้องขว้าเข้ามายิบใจถี่มีความั่วอยู่ เก่าก่นก็พยายามละถอนออกไปความเชื่อใหม่เห็นเผิ่นเติมมันก็หนา้าวันหมดวันแห้งเรื่อยไปเหมือนกันกับน้ำในตุ่มในาหาไหอยเรามีจะตัดออกมันก็มีวันแห้งเหมือนน้ำใ น, น, นบอ่อถึงมันมีตายน้ำไหลมาตัดออกแล้วมันก็ไหลมาเพิ่ม อ, อีกออกมาเพิ่ม อ, อีกนั่นมเป็ น, นแบบหนึ่ง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 เห็นคุณค่าสาระในการกระทำของตนพอชุดปิบตัตบใจเห็นผลคือความสุขความสบายความรักความถอนความสงบของจิตเป็นอย่างไรผี้พระพุทธเจ้ากล่าไว้ว่าเป็นสมาธิท่านก็เห็นก็เป็นในท่านปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากจิตจากใจเรียกว่า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 เหมนคนที่ฝึกใหม่ด้วยคนที่ไม่ฝึกเยอะเลยโดยแม่ผัวเรามันทำจิตทำใจเป็นถังขยะอะไรมาก็เจ็บอาหมดแต่ถังขยะได้มาบ้างก็นํานจะของเน่าขอเหม็นของเสียมาเคังใส่ของทำทำไม่สะอาดเช็ดชอยสิ่งที่ราคาคุ้มค่าเขาเาเลยไม่ขึ้นในถังขยะเขาเก็บรักษาเอาไว้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 ตัง้งหนักอยู่นั้นมันไม่เด็ดเผอออกไปตามสัญญาอารมณ์อันอีกถึงไม่รวมให้เราก็ไม่เด็เสียใจพราเราไม่ได้เผอโลออกไปสู่อารมณ์ภายนอกพอยที่จะเกิดความชั่วความเสียอะไรเราไม่เดดคิดในอกุศลทำใจจับอยู่ในกุศลของกุศลกระทั่งถึงยังไม่ถึงขังง้นสง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 เพราะนนหลงไหลใส่ขันกันถ้าเขาเห็นอย่างนี้ทุกคนใจจะไม่มีการหลงไหลไม่มีการเทลิดเทลนในเรื่องของโลกเพราะเรื่องเหล่านั้นมันเหมือนยาพิษเกื่อนเหมือนตาทามห้คนหลงคืนลงไปจะรับทุกรับโทษสามาเห็นความสงบเย็นของจิตอย่างนี้จึงเป็นธรรม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 กิอีกตายอีกมันก็แค่ที่เราเห็นเราเปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่จะมีจะวิเศษไปกว่านั้นถ้ามาเห็นอดเห็นทำมันก็จะหลงท่องเขียวอยู่ในวัฏฏะเรื่อยไปถ้าเห็นอดเห็นทำในใจอย่างนี้มันจะยินดีที่อยากจะปฏิบัติเมื่อมันสงนรนบรวมรวมได้ใจมันก็มีกําลังสามารถที่จะที่นี้ที่เจอนะยินต่างๆ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 ต่างหน้าต่าง ต, ตากำหนดรักษาจิดใจของตัวเอาไว้ให้เห้นให้เย็ น, ใ ห, นให้สงบจึงจะได้เชื่อผูกปฏิบัติรมเห็นทมจึงจะมมีความสงสัยลังเลใจในเรื่องของศาสนาสามารถเหนิพพานพระพุทธเจ้าจะได้นิพพานไปนานขนาดนี้จะยังมี ไหนเนาะในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นเนื้อรู้เน่มีการสงสัยแนี่ประทับใจที่ว่าธรรมะเป็นอาริยโกคือเนี่ยมีการมีเวลาผ่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษามันก็เห็นก็ยินก็สงบอย่างนี้นี่เป็นพยายามแต่พยายาในตัวของตัวแต่นั้นขอทุกท่าน เรืเหมือนที่มคิดจะมากำหนดรักษาต่างๆปฏิบัติธรรมะจะนนีอยู่นะกำลังกำลจะเกิดขึ้นมาจากจิตจากใจของตัวเราได้อ่านได้รู้ได้ที่ไมิจาได้กำหนดรักษาเราเขียนเราเป็นธรรมะในจิตในใจเื่อเรารักษาศาสนาเราบำรุงศาสนาเรา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 หาลอยหลงไม่มีวันเจอให้ดูภายในดูกายดูใจของตัวเนือเชืค่คนทราบว่าธรรมะมีอยู่ภายในโคจรพาปัญผลคิดพิจนะารณาพากันรักษาธรรมะเอาไว้่อแก่นั้นไปควรจะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะถึงว่าพอสมควรเจเวล า, าวเพราะยุดจิตเชงเขนนี้เอวัง